บุทูเฮเวลาซออท์รูขอโทษครับมาเอเซรัตมีขอห้ามกี่โมงแล้วครับซออท์ชันดัส ขอบคุณมากครับเปยร์ปสซารัมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาซออตสมันเป็นเวลาสองนาฬิกาซออาตสมันเป็นเวลาสามนาฬิกาซออตซส มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา soat chhar oh มันเป็นเวลาห้านาฬิกา soat panch มันเป็นเวลาหกนาฬิกา soat shesh a s, so Sh <S มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา s so h a f a s t <haft> มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา so at h a a s t มันเป็นเวลาเก้นาฬิกา so at n uh a s t มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา so at t e a s t มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา so at 11 d a s t มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา so at d a a s t หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที1 e ق d ق g i r e chast s รัส หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเยคซออาดชาสดาริกเดราหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงยคสปสตชรซอาอ